ฟังธรรมเนาะมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วก็ น, นำไปปฏิบัติตัวเองสอนตัวเองได้แล้วก็ไปบอกคนอื่นก็ฟังธรรมก็ฟังเรื่องของเราเนี่ยแหละ เรื่องของเราก็มีหลายอย่างมีสติจึงจะเห็นถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็นเรื่องของเราที่เกิดกับกายกับใจใ้าชานาญในทางนี้เมื่อชนาญในทางนี้อันอื่นก็ชำนาญไป หลายอย่างเงเวล้อมเพื่อนมิดอะไรต่อตามถ้าจำด ا งในตัวเองแล้วก็เป็นไปเองเพราะเรียนรู้เรื่องตัวเองจนจบก็สนุกทำมันอื่ น, นามากบาย ทางน้า ก, ก็สอนเตืองเล้วก็สอนก็าื่นให้รู้ตามอยู่ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่หน้าที่ของเราคือเจบของคนอื่นทิ้งไม่ได้เหมือนกับว่า หัวมันจะแตกเจ็ดเฉียงถ้าไม่บอกวความเท็ดความจริงแก่ผู้คนขนหัวลุกปล่อยกันที่งไม่ได้เห็นใครทุกข์หยุดไม่ได้ที่ต้องไปบอกเห็นใครหลงก็หยุดไม่ได้ที่จะบอกเขาจริงที่ไม่ถูกไันต้อง ท, ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเป็นหน้าที่ของเราโดยตรง เป็นไปอย่างนั้นโดยเฉพาะพวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นหุ้นส่วนทำให้ธรรมะเจริญในชีวิตเป็นมากเป็นผลเรียก ว, ว่าพุทธบริพุทธบริษัทเจริญถ้าพุทธบริษัทไม่สร้างมากสร้างผลก็พุทธบริษัทก็เสื่อมมีหุ้นส่วน ในเรื่องนี้จึงเป็นสึงที่ช่วยกันสุดฝีมือถ้าสมมติว่าที่นี่เป็นโรงเรียนเป็นที่เพก่อเพื่อชํานาญในทางนี้มีสติเห็นการชําชนาญมากอะไรที่เกิดขึ้นกับกายมีแต่สติรู้เห็นชํานาญนทางนี้ อะไรที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็มีสติรู้เห็นพบเห็นในเรื่องนี้ไม่ปิดปังอภางถ้าเรามีสติจะนุกดีเห็นของเท็จของกิงที่เกิดกับเราก็ตือ้อรล้นมากไม่ปล่อยทิ้งไม่ทิ้งทุระมีจิตตะเอาใจใสมีการประคองตั้งเกียดวง ความไม่ให้กิดเลอะเรือนให้มีความงอกงามมีความไพ่บุญความเต็มรอบพร้เจริญในธรรมบังงอกงามทันใจไม่อาศัยอันอื่นอาศัยการกระทำไม่ฉันทะฉันทะไ ม, ฉ, ะมฉันทางวเลติวิยามาติตมกิตตปะกณนติพยาปะกันนาติมีความ เพียนมีสติไม่มีจิตใจใส่มาทึงทุรละไม่วางทุรละเพื่อความเจริญคู่งอกงามความแปรปรวนของชีวิตชีวิตมันจะ ง, งามตรงที่มันผิดแล้วผิดแล้วไม่แค้ไขก็ไปงอกไปงามมียเยอะแค่ที่เกิดกับกายกับใจเรานี่สิ่งที่มันผิด มีสุขมีทุกข์มีโกรธมีโลภมีหลงพอใจไม่พอใจบ่อยทิ่งไม่ได้เพราะมันมีความถูกต้องอยู่เป็นหน้าที่ของเราต้องเพียรพยายามต้องอดกัน้นอดทนต้องเสียสละต้องประกอบเรื่งนี้ให้เต็มที่ นักก็ว่าเรารับผิดชอบผู้คนถ้าเราศึกษาเรื่องนี้งั้นเราลักลูกลักเมียก็ต้องทำเรื่องนี้ให้ได้จะชื่อว่าความรักรักพ่อรักแม่ก็ทาเรื่องนี้จะไปนอนกอดกันอยู่ไปนอนชมกันอยู่ไม่ได้ทำไงมันทุกข์มันโกรธมันเกิดมันแก่มันแ็บมันตายช่วยกันได้หรือถ้าอยู่เช่นนั้น ต้องมาศึกษางา น, นพระศิทธิธรในคิดเรื่องนี้ขึ้นมามีคนสองคนมาพูดเรื่องนี้มาคิดเรื่องนี้ขึ้นมามนลักคนทั้งโลกมาใช่ลักแค่พระเราสองคนลักเราหุนลั ก, ล ก, ลกปิมพา ต่อหนรักคนทท้งโลกความรักแค่นน่ไม่มีประโยชน์นี่แต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายลองให้เสียใจในีวิธีหาดุนเดาหาจนจนเกลียนตายได้วิธีมามาบอกพวกเราเถอะหวกของครูอาจารย์ของบรมครูเรา มันยิ่งใหญ่มันหนักกับหัวใจเราทิ้งไม่ได้จะไม่ทำตามมันไม่ได้แ ล, ล้วก็รบครัวอาจารย์ต้องทำตามครัอาจารย์สอนครัวอาจารย์ของเราที่ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าเมื่อม่หลงก็ต้องมไม่หลง เมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์เมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแจอต้องมีไม่เจอเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตาต้องมีไม่ตายแน่นอนที่สุดฉีดเช้นไปเลยชีวิตต้องฉีดเช้นมีเช่นไม่ใช่เสี่ยงไม่ใช่อาศัยอันเดินต้องขีดเส้นตัวเองอะไได้ แต่เราต้อง 3-4 อย่างเนี่ยเกิดเจ็บเจ็บตายเนี่ยศึกษาจะไงเราจึงจะเห็นเรื่องนี้มีกายมีจิตมันเกิดที่นี่มันเจอที่นี่มีกายกับจิตนี่แหละเรียกว่าภาษาพิธรรมภาษาปรมัตารย์เขาเรียกว่าจิเจรุนี้จิต ว่าจิเเเตเจเจตสิกรูปก็คือรูปนี้คือนิพพานนีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานภาษาประมาจารย์ไม่อยู่ที่อื่นเนีย่ยทุกคนก็มีจิตรูปอะไรได้ เรีว่าปัญญาณธาตุปัญญาลั่วอะไรไต่างจสิให้มันลู้เราไม่ได้พัฒนาจนควาอมหลงต้องพัฒนาความทุกข์ต้องพัฒน า, า, อ, ฒนาอันอื่นทำให้มาก เพิ่มดีทำให้มากกรมไม่ดีต้องพัฒนามันหลงพัฒนาไม่หลงมันทุกพัฒนาไม่ทุกตั้งต้นจากที่นี้ด้วจะชำนาญในทางนี้ชำนาญในทางอะไรที่เกิดกบกลายก็จะชำนาญหมดอปอึกหัด นั่งอยู่ช่วโมงนงก็รู้ได้บทเรียนมากมายที่กายมาแสดงที่จิตใจมาแสดงหรือวจิตเจดูนี้มันแสดงออกมาให้เราได้เรียนรู้ทำได้หรือทำได้มันลงเปลี่ยนไม่ลงทำได้ทุกคน มันผิดมันถูกมันชุกมันทุกข์มีสติไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นเราชำนาญหนึ่งข้างมันหลงรู้หนึ่งข้างหลงในทางใดก็รู้ไปทางนั้นมีความรู้ใช้ได้ทงหมดรีกว่าสติเป็นหน้ารอบรอบรู้ กองสองขานที่มันเกิดจากจิจรุนี้ในที่ปัจบันบอกพระสูตรก็บอกแล้วเห็นส้นกายเือเป็นประจอมอะไรที่เกิดขึ้นกับกายก็สักแต่ ว, ว่าสักแต่ ว, ว่าไม่เป็นตัวเป็นตไ น, ตนตไม่เป็นพบกเป็นชาติ เรเอาเรื่องงก่อยมาเป็นสุขบปนทุกข์เห็นมันสุขเห็มันทุกข์เอาเรื่องของจิจ ใ, ใจมาเป็นสุขเปนทุกข์เ็มันทุกข์เห็นมั น, มนสุขนี่คือวิธีจะทาให้การศึกษาเจริญชํานาญเปนเกตเป็นเจนฑ์ที่จะต้องบงุบโบ จะเปลี่ยนหลงเป็นลูข้างที่หนึ่งจะมีล่องรอยเป็นทางไปเห็นทางแล้วในความหลงเห็นทางในความไม่หลงตรงดัานเผื่ที่มันมีเดินดูซิมันจะมีความหลงอยู่4ีีด่านในโลหัตเปมไง หักใหม่จะมีสด่านที่มันทำให้เกิดหลงมีกายมีสุขมีทุกข์หลงตัวนีอ้อไม่รู้ตาจริงๆก็ไปใหญ่หลงที่กายหลงที่สุขที่ทุกข์หลงที่กิด ที่มันมีเจตสิกที่มันคิดอาจเป็นลูกเป็นภพเป็นชาติที่กิดก็ได้ถ้าไม่หลงตัวนี้ก็ถึงนิพพานถึงนิพพานเป็นกระแสไปเป็นหลงเป็นลูกกระแสนิพพานอยู่ตรงนั้นเป็นโสกเป็นลูกอะไรเป็นลูกเปลี่ยนไปตรงนั้นแต่ได้กระแสเรจิตเ จ, จลูนี้ สุดไปสุดไปถึงที่นั่นถึงที่นั่นจะชำนาญในทางถ้าสี่ดานนี้ไม่หลงแล้วหายเดินก็ง่ายท่านก็ค่อยง่ายไปสะดวกไปเมื่อเราจับทางหมายเลขในประเทศอันมีหมายเลขสองศูนย์หนึ่ง ตีแจ้งข้อ่อไปถึงกรุงเทพได้ยางที่งหมายเลขสองศนหนึ่งจะว่าขึ้นรถถูกเส้นถูกทางเขานั่งไปเฉยๆก็ถึงกรุงเทพถ้าจับสองศูนย์หนึ่งได้หมายเลขถนนทางหลวงของที่ใดก็ตาม ต่างประเทศกมหนนี่เป็นสากลอันนี้หลักปฏิบัติทางที่จะเนินให้เราเดินทางกิจวิญญาณก็ยิ่งสะดวกกว่าทางแบบนั้น ทางแบบที่มันเกิดในชีวิตของเราเนี่ยตัวมาลีมักเียมันสะดวกกว่าทางแบบตั้งไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้อะไรดูเพียงตมีสติเป็นหน้าโลกทำนานในการเห็นบอกความเทศความจริงเก่ตัวเองกับคนอื่นใส่ใจเรื่องนี้ดียว่าสันทะ มีวินัยเรื่องนี้กับตัวเององที่ได้รู้ทุกทีเรียว่ามีวินัยที่ปฏิบัติกับตัวเอง <c oughs> วินัยคือนำไปสู่ความถูกต้องไม่ใช่วินัยไปท่องจำ เหตุส่ีกรณีจิตสีอันนั้นเป็นปัจจัยขึ้น อ, อาศัยอันหนึ่งเื่อสศิขาสามสินสมาธิปัญญาก่อนที่จะมีอย่างนั้นมันก็เกิดอันนี้ขึ้นก่อนนะคนต้องเห็นความหลงออกจากความรู้ก็มีความหลง นึกเกิดความลง ก, ก็ไปไกยเกิดนิวรณรร์นึกทเกิดราคกพระโธสั ง, งหะเกิดพยาบาท เ, เกิดสุขกทุกข์ไปไกยลยหลือเกินผลจากความหลงส่งไปไกายรือเป็นถ้าสึกเราจะแพ้เราจะชนะตรงนี้ แรกหัดให้มีวิในกจ็จะมีชัยชนะวิก็คือวิเศษในยะนั่งไปนั่งไปสุขความวิเศษต่างกันอยู่ความรู้ความหลงต่างกันอยู่ความวาระที่มันเกิดขึ้นจะเป็นสุขเป็นทุกข์มีความรูม้ก็เห็นแจ้งในสุขัน ทุกข์กันมีความรู้สึกตัวก่อแจ้งในความทุกข์ความรู้แกงแกงในความสุขแกงในความทุกข์แกงในความโกรธควโลภความหลงจนสิ่งเหล่านั้นหลอกไม่ได้หมดท่าอาชนานตรงที่หลงชามานก่าตรงที่อื่นที่ว่าหลงเน่ที่ว่าทุกข์เนี่ยจำนานมากจำนานทาง นี่คือฝึกตนสอนตนมีที่ให้ศึกษาเล่าเรียนใหกายไปตาลามีจิตใจประตาลาบ่งบอกความเท็จความจริงตู้เองตอบเองจปนปัจจจตังเป็นการสัมผัสไม่ใช่การคิดปฏิบัติทมไม่ใช่ความคิดเป็นการสัมผัส องเท็ของจริงสัมผัสได้ทันทีระหว่างความรู้ลถพระธรรมคือความรู้สึกตัวลถอธรรมคือความหลงความหลงนำไปสู่ทุกขติเม่อไม่หลงนำไปสู่สุ ข, ขติมีผลคนละอย่าง ความหลงเป็นธรรมดำความรู้สึกตัวเป็นธรรมขาวลนะธรรมดำจเจริญในธรรมขาวมีวิธีกรรมฐานช่วยได้เยอะกูเขียนเข้าเหยียดเขียนอกเป็นพลังที่เสริมให้เกิดสติององามทำท่าจะเหี่ยวแห้ง ความเพียรเหมือนกับน้าผลคือใส่ใจความเพียรไม่ทิ้งทุละสติไม่จิตต่อใจใส่ ไ, ม, ไ ม, ม, ม่ไม่ท้อแท้ะกองาม่ท้อแท่ไม่ออนอบางทีเข้มแข็งในจงที่มันอ่อนอเกิดอ่นอนตรงไหนเข้มแข็งตรงนั้น s ิมเข้าไปจันท่าคือความกำมาชืม่มฉางเป็นกวติงกดทิกที่ก่อสานวิริยะเพียนใด้ช่นนั้นเสริมเข้าไปกิตตเอาใจัยใจไม่วางทุละวิมังสาคือเห็นเรื่องราวที่มันเกิดเป็นอย่างไง มาเฉยเสร็จจบอยู่กับเชิงใดเชิงหนึ่งกับสุขบ้างกับทุกข์บ้างกับสงบบ้างกับพุ่งสารบ้างเป็นตัวเป็นตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีจิตตะแล้วไม่มีวิมังสาต้องถอยออกดูให้เห็นนี่คือสุขนี่คือทุกข์นี่คือสงบนี่คือผุ่งสามันให้สิ่งเหล่านั้นเปิดเปลอเปือนได้ก็สําเร็จ ทำมันทาให้เกิดความสำเร็จสันทาปกติปิฎยามาติกิตตประกันหะติมีความเพียรมีประคองตั้งเกียติไว้เพื่อให้มันงอกงามเจริญยิ่งเพื่อใช้แต่มัทเธอในทำให้งอกงามเพื่อจะได้ใช้มีสติเป็น กองทัพมีสดูกายดูวายุดเวทนาดูกิตดูธรรมเป็นป้อมปาการที่ต้องด้อยชัยภูมิแล้วยึดชฉยภูมิเลยแล้วเห็นหมดก็ดูอะไรออกง่ายนั่นสติไปในกายเป็นประจำเป็น กงพลใหญ่อราที่เป็นข้าศึกไม่มีแพ้มีสติปัญกายไม่มีแพ้เลยนะข้าศึกมาแบบไหนไม่มีแพ้ความโกรธความโลภความหลงความคิดง่วงงงหัวนอนความหลงเล่สงสยัยทำมาลครับปฎิกาทอนเลย วิธีที่ถอนวิธีที่เข้าถึงสกยทิทิวิจิจฉ า, า, า, าศีรพตาปละมาศคือภาวะนี้คือภาวะกรรมฐานนี้สกรยทิทิที่ทำให้มันขวางกันผู้ใดมียึดอยู่ในสกกายติทิเป็นทรรขวางกันให้เกิดความเป็นพระไม่ได้เรามาเห็นกายจว่ากายน่ย กำลังจะลือถอนอกไม่มีตนอยู่ในกายนี่เห็นจะเป็นอาการธรรมชาติธรรมดามะเรียบุคคลขันต้นเห็นเรื่องนี้ชัดเจนมีอยู่ละสัโน์ได้สามรากาโยทิคือสามพันเรากายไม่เป็นตัวเป็นตน วิธิธายังลองเลยสงสัยในเรื่องข้อเท็จข้อจริงจับผิดจับถูกสีปตะปารมาก็ถือสักสิทธ์เอาอันนั้นเป็นถูกอันนี้เป็นผิดมัวแต่คิดอยู่ถือพิธีรีตรงอะไรต่างๆไม่ได้ทำม่แต่พิ ธ, ธีอยู่ในพิ ธ, ธีกรรมไม่ใช่มีกา ร, กรทาไม่มีกรรม กรรมคืออะไรก็ทำกรรมทางกายทำกรรมทางจิตพิจะคิดที่เป็นกรรมชั่วก็คิดชั่วก็เป็นกรรมละคิดดีก็เป็นกรรมพูดดีก็เป็นกรรมพูดชั่วเป็นกรรมทันทีนี้เรามาทํากรรมดีมาลูว่าลู่เนี่ยใครมาทาดี มันก็ไม่มีสกยาทิฐิให้มีสีพะระตาบาลามามเป็นตัวปฏิบัติย่อมลื้อถอนสังโยชน์ได้ง่ายมาเข้าไปตรงเลยเกินพราะยาบุคคลขั้นต้นเสังโยชน์ตัวสมมีสกยาทิฐิถือกายเป็นตัวเป็นต้เนเราชี่เกิดกายเป็นสุกเป็นทุกข์ อะไรที่เกิดกับกายมานเป็นสุขเป็นทุกข์เรียกว่าสักกยายทิฏฐิฮะเยบุคคนละได้ข้อนี้ยากไหมตรงนี้เดี๋วิสัยไหมไม่เอากายมันเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์ได้ไหมเห็นมันได้ไหมเห็นแล้วไม่เป็นได้ไหมเห็นมันหิวอรอ ไม่เป็นผู้หิวได้ไหมเห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวรู้ว่ามันหิวประเดี๋ยวความหิวว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ประเดีความอิ่มมาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ไหมถ้าจะละสังโย ต, ต้องไปแบบนี้วิธีปฏิบัติก็ตรงแบบนี้อยู่แล้วนั้นกาความหิวเกิดขึ้นเห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวอภพยนจากความหิว ความหิวไม่ทำให้เป็นทุกข์ความหิ่มก็ไม่ทำให้เป็นสุขพระเอเยนบุคคลละอย่างนี้อะไรก็ตามละอย่างที่เกิดกาเอาไม่เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยความฉลาดเกี่ยวข้งองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องชัดเจน เมะ่อเทบกระเทือนกับชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรกับเรื่องนี้จากรยรถิทธิตรงกับการปฏิบัติเห็นกายอยู่เป็นประจำกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสรุปแล้วว่าบุกเบิกไปให้แล้วอ่านไปได้ก็อ่านต่ได้บ้างก็ดีช่วยไปบ้าง ตเหอบีอะไยใจนี่ก็สักว่าการเป็นชัตว์พุกคนตัวตนเราเขาเราเอาปามเป็นตัวเป็นตนหรือมาเป็นสุขคป็นทุกข์ือก็บอกตัวเองพุทเจ้าก็ย่าจากตรง น, นี้ไปแล้วเวทธนาที่มันเกิดขึ้นใกล้ใกล้กลันใกล้ากกันนิดเดียวหิวก็มีเวทนานคือความหิว ร้อนคือเวทนาคือความโล้นเจ็บปวดคือเวทนาที่ความเจ็บปวดก็เรื่องของกายตั้งหนวดไม่สงสัยสงสัยไหมตรงนี้ทำไมทําไมไหมอะไรที่เกิดขความีแต่ทำไมอยู่เที่นั่นหรือเป็นการบ้านไม่ทําให้เสชิดจักตี ทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แม่ยวงกัดหมัดกัดก็ทำไมอาจจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเ ป, นเป็นทุกข เ, เ, เ, เป็นทุกข์ได้เราที่เกิดกับกิจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสักยที่ถี่ทั้งหมด อยู่ในภาวะวิกิตรช้ า, าทั้งหมดอยู่ในศีลปตตาปรมาทั้งหมดหรือว่าผิดหรือว่าถูกหรือว่าสักเซตอะไรต่างๆนกจากกายจากใจไป <c oughs> เอาความสักเซตเอาความอะไรไปออกไปนู่นไม่ได้ดูตรงนี้อะไรที่เกิดกับคิดเช่นอะการอารมณ์ที่มาย่อมกิด บาทีเอาความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์บ า, างทีอทเอาสมมตป็นยศมาเป็นสุขเป็นทุกข์้เห็นรูปพอใจตเห็นรูปไม่พอใจหูได้ยินเสียงพอใจหูได้ยินเสียงไม่พอใจวัตถุกรมคุณ เอามาเป็นอย่างนั้นหรือมันก็ไม่เห็นศักยทิฐิเป็นรูปแห่งหมดหรอส่วนนั่นถ้าเอามาเป็นทุกข์ก็กายในกายจิตในจิตจิตเฉยๆไม่เป็นไรมันไม่จิตที่มันเป็นเจตสิกที่มันเป็นอุปาทานอยู่ในนั้ น, เ ป, นเป็นนามาลูปมันเกิดดับมันเกิดดับเกิดทุกข์เกิดทุกข์ ภพบลายชาติของกายของใจอีกหลายพบหลายชาติหลายภพหลายชาติมีสติเห็นจักรวาสจักรวาสนี่แหละวิธีลื้อถอนลื้อถอนกายจักว่ากายเห็นเวทนาจักว่าเวทนาเห็นจิตจักว่าจิตเห็นธรรจักว่าธรรม ถ้าเป็นถาบหนักก็ร0อยกิโลก็อาจจะเหลืออยู่สักหกสิบกิโลทิ้งไปแล้วสี่สิบกิโลเบาไปสักหน่อยอะไรที่เกิดกับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมบางลงแล้วสักแต่ว่าวางลงแล้วเบาไปเกิดกาแล้วคนตา เรากายคิดตลอดหตาเบาคิดเบ า, าขึ้นมาหน่อยหนะึ่งแล้วก็เห็นทุกข์ที่มันเกิดจากเรื่องนี้ที่เอากายมันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นทุกข์เห็นทุกข์ที่เกิดกับกายเห็นทุกข์ที่เกิดกับใจก็ตือรุ่นลบากเลตืลอรุ่นช่วยเหลือ ตัวเองช่วยเหลือกายช่วยเหลือใจเปนการกอบกู้สิท่ที่มันชุดโซมมันถูกทับถมในความสุขในความทุกข์ที่เกิดกับกายตั้งแต่ตัวเองก็เป็นทุกข์อยู่แล้วยังเอาอื่นมะาเป็นสุขเป็นทุกข์ตือ่อลน้นโหมช่วยกายช่วยใจ กอกู้ขึ้นมาเขาหยันเลยการช่วยเหลืออะไที่เป็นทุกข์เลยสุบุลีจะหุดไปเลยเฮ้ยคิดอะไรที่มันทําให้กระทบกระเทือนกับกายกับใจสงบเลยอะไรที่ก่อให้เกิดเป็นทุกข์ที่มาจากจรมาพายนอกประทําให้กายใจเป็นทุกข์เดี๋ อ้ยนี้เตียวม่ได้อดได้ทนนะถ้าเห็นทุกข์เนยมันเห็นทุกข์มันลุยมันเชี่ยวมันอะไรจนเหมือนกับบรรพานเจ็บข้าวเปือกเวลาตำข้าวผัดข้าวแล้วเจ็บกาข้าวเจ็บกาข้าวกาข้าวสารเพื่อจะไปแช่น้ำไปนึง่ง ถ้าลูกกินถูกเขีย้ยวเขี้ยวข้าวถูกข้าวเปลือกลูกก็อ้าปากให้แม่ยกออกมาให้แม่จึงพยายามที่จะเอาเข้าวเปือกออกจากข้าวสารเขี่ยหาเห็นไม่ได้ก็เจ็บเอาเจ็บลองไว้ใส่กระดองไว้เอาไว้ต้มอีกเกาด่าปฏิบัติธรรมเหมือนเช่นนั้นแหละมันคุยเขี่ยวความทุกข์ในมันขยันตรงไหนมาก อะไรที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่เห็นทุกข์เนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้มันกระตือร้อนช่วยตัวเองภาษาไหลความกดความโลภความหลงเนี่ยมันเป็นกาบแลกมันออกงก่ายๆแต่ไม่เหตุที่ให้เกิดโลภเ ก, กิดหลงเนี่ยไม่เป็นความละเอียดไปเอง น, นี่บาเจ็บเข้าเจ็บกา ก, ากเข้าเคยไหมในชีวิตเคยเจ็บก า, กากเข้าไหมไปอยู่ อยู่บ้านเนาะนะเอาไปตำข้าวซึมแล้วบ่ไม่ออกซึมเก็บขักเข่าลรวบร่ฮะ ไ, ไมไ่เก็บจักเท่าแล้ว <laughs> มไม่เก็บแล้วเอาข้าวถ้าชีไม่ขาวก็ไปเอากินแต่แป้งไม่กินข้าวเลยทุกวันนีย ก็อนเขาเสิรข้าวตำแม่ข้าวกล้องเหลืองหอมหวานไอ้ต้องตัสีข้าวให้เก็บกา ก, ากเขาก็ไม่ชอบกันละตัวสีลงสีไหนถ้ามีกากเขไม่เอาละอ่า น, นัก็เป็นสมมติบิญญาณแต่ชีวิตเราเป็นเช่นนั่นไม่ได้มาเห็นโูกทําน้ำำําทําเห็นลูกมันทุกน้ำมันมทุกเนือน้อมูตังนี่สนุกใหญ่แต่ละ ข อ, อ ก, กู้ชีวิตกันตาอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์เหมือน น, น้ำมันกับน้ำน้ำมันจะต้องอยู่เหนือน้ำแม่น้ำมากน้ำมันน้อยก็ต้องอยู่เหนือน้ำเสมอเพราะว่าที่ไม่ทุกข์เนี่ยเอาให้เหนือเสมอไม่ให้จ่ำเหมือนเป็นเช่นนั้น ทุกที่ไหนก็ตื่นร้นเพื่ออยู่เพื่อไม่ให้ทุกข์ขึ้นสูงแล้วถ้าเราไปหัดภาษาความคิดก็ทุกข์ไม่มีใครมาทำไม้คิดขึ้นมาก็ทุกข์แล้วตอันนี้ก็ละเอียดกว่าล้อนกว่าหนาวกว่าปวดกว่เจ็บถ้าไม่มีสติอันปาณีตอันละเอียด ก็อาจจะไม่รู้ได้ง่ายทุกพวกความคิดเป็นถ้เป็นจิตเด็กก็ก็อย่างกลางๆตอนนี้ก็ต้องมีธรรมที่พอเปรียบเทียบมีศีลขึ้นมามีสมาธิขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาช่วยเนิวมาช่วย สมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยมีแต่ทำที่เป็นเครื่องมือช่วยงอกงามเก่ดขึ้นมาจากภาวาที่เห็นเห็นไม่เป็นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นมากมายมาจึงพอเห็นทุกข์ก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ ไล่ไปถึงลากเงาของมันมาจากไหนเมื่อมันมีอะไรที่มันเป็นทุกข์ที่มันเป็นชาภาวทุกข์ที่เป็นทุกข์ตามธรรมชาตินิสดาทุกข์เป็นทุกข์ที่รู้ไหวไหวเป็นการกระหนดรู้ อย่าระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทุกเป็นเรื่องกำหนดรู้เหตุที้เกิดทุกเป็นเรื่องละเนี่บสมุทยัยทุกเป็นเรื่องกําหนดรู้สมุทัยเหตุที้เกิดทุกเป็นเรื่องต้องละโลดเป็นเรื่องต้องทำให้แจง้งแจ้งไหม ร่วมหลงกับพวมาหลงแย้งไหมร่วมทุกข์กับพวมว่ทุกข์แย้งไหมแย้งตัวนี้บ้างไหมหรือว่ามืดค้บอยู่ต้องอดต้องทนหรอเวลาโกรธต้องทนเราหรอมันไม่ได้ทนมันแจ้งเหลือเกินตื่นนะทลานะตรงนี้มันเป็นการทลาออกถ้า เ, นะเห็นน่ะเห็นในโลดแย้งมัดเฉลินนะ่น จเจริญในการเห็นการดูรอบอีก ร, บกรอบหนึ่งมักเจริญงั้นก็พูดขาก่อนว่าอเห็นอะรเพอเห็นพอเห็นก็ไม่เป็นจึงพ้นจากเป็นการเป็นมักคือดูคือเห็นคือไม่เป็นชำนหนมักทำให้จเจริญมากง่ายง่ายทุกเป็นตระหนดรู้สมุทัยต้องละมัก นิโรธทำใม้แจ้งมักทําให้เจริญอยู่ในการปฏิบัติถ้าเวลาปฏิบัติก็เห็นไม่เป็นพ้นจากการเป็นก็กลายเป็นศีลบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่เปื้อนเพื่อนมีศีลแล้วจึงรู้จักว่าโอ้ศีลเป็นอย่างนี้เนาะช่วยบ้างช่วยเราได้บางไม่ใช่ศีลแบบรูปคําศีลทะหลงนะสิกขานี่คือทะหลง ถลุงไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนนี่คือทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือขว้นดับทุกไม่เป็นรุ่นเป็ก้อนเลยมาปั๊บเดี๋ยวไหวไหวนี่ไ ว, ไ ว, ไวย่อนทัศนะเห็นไหวไหลูกแก้งมีปัญนายานเกิดขึ้นลูกแก้งทะลุทะลวงพ้นเพราะว่าเก่าๆขนหัวลุก สุกเป็นสุกใจทุกเป็นทุกมันเป็นไปไม่ได้ว่าไว้สุขไปทุกมันไม่อยู่มันเป็นการเห็นแก่งเจี๊ยบเบอร์นี่รูดน้อยๆแย่งไปแย่งไปแย่งไปแย่งในความหลงแย่งในความโกรธแย่งในความทุกข์แย่งในความสุขแย่งในความเผิดความถูก ตออะไรมันเห็นมันเห็นมันเห็นเห็นก็ไม่เป็นก็มีการปฏิบัติตรง น, นั้นได้เห็นแล้วไม่เป็นปฏิบัติแล้วพ้นจากภาวะที่เป็นเลาได้ผลแล้วเป็นมากเป็นผลเป็นวิไนแบบนี้ถ้ามีปฏิบัติแบบนี้วิไนนี่ก็มีมากเป็ผลเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติมีวิไนในการปฏิบัติ กับตัวกับธรรมกับกุศลอกุศลไม่ปล่อยทิ้งนี่คือท ร, รมาวินันยศาสตรอนนีเป็นศาสตร์สายแห่งทำมาวินัยถ้ามีทำวินัยปฏิบัติตามอยู่ก็เป็นมากเป็นผลทันทีไม่ต้องรอเปนกอบเป็นกำขึน้นมาให้ชํชนานิชํานานอย่ามัวแต่คิด ราบโนภาพอยู่สัมผัสลงไปได้ที่นั่งได้ที่เดินได้ที่นอนได้กาได้ใจอยู่ด้วยมีสติอยู่ด้วยทมได้ทุกฤทธิพุทธรู้กตัวรู้จึกตัวไปว่าไ่ใช่โห ม, มานั่งไม่อยู่ไม่ได้ดับได้นอนไม่ใช่แบบนั้นมากินข้าวก็ไม่ใช่แบบนั้นกินข้าวอินอนได้พอ มีบทธรรมดาธรรมดาวางใจให้ธรมธรมดาธรรมดารับทุกอย่างอะไรมาก็รู้ไม่ปิดไม่บงังไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามอะไรไม่บางทีไม่พูดไม่จาคำว่าใช่พูดอยู่แต่มีสตินะขอสัมผัสก็มีสติมั่นใจมั่นใจเอาสมควรเจ้เวลาวันนี้เนาะ กับพระ่อมกัน